นะเอาเป็นว่าฟังการชูโชคอีกกันหนึ่งกันไหกันไะหนะการชูโชคอีกหน่อยหนึ่งพระเอกของเราก็เข้ามาแล้ว <c oughs> ทีนี้ก็พูดถึงเมืองไอ้กะลิงครัตอีกครมเดิมนะไอ้กะลิงครัตก็คือเมืองฝนแรงอ่ะนะฝนแรงที่พูดถึงครั้งที่แล้วนั่นแหละครั้งนั้นก็มีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อว่าชูโชคเป็นชาวบ้านพราหมณ์ชื่อว่าทุนวิทะในกะลิงครัต เที่ยวพิกขาจารย์ได้ทรัพย์ร้อยกะหาปณะไปฝากไว้ที่สกุลพราหมแห่งหนึ่งแล้วก็ไปเพื่อประโยชน์แก่การแสวงหาทรัพย์อีกก็คือขอทานขอขอขอไปได้เยอะได้ตั้งร้อยกหาปณะก็ไปฝากเพื่อนไว้นะทีนี้เมื่อชูชกไปช้านานสกุลพราหมนั้นก็ใช้กหาปณะเสียหมดเลยนะไม่เห็นมาไม่รู้เป็นตายไายดีหรือยังก่อม่ายรู้ก็เลยใช้สตังหมดเกลี้ยงเลยภายหลังชูชกก็กลับมาทวงก็ไม่สามารถจะให้ทรัพย์นั้นได้ก็เลิกยกลูก สาวให้เลยชื่อนาง อ, อมิตตาปนาให้กับชูชก น, น, นะนะก็เลยยกโลูกสาวให้เป็นเมียเลยชูชกก็ได้พานางอมิตตาปนาเนี่ยไปอยู่หมู่บ้านทุนวิถภรามขามในกลิงครัตนางอมิตตาปนาก็ปรนิบัติพรามนั้นโดยชอบแล้วว่าดูแลสามีเป็นอย่างดีครั้งนั้นพวกพรามหนุ่มหนุมเหล่าเอินเห็นอาจาราสมบัติของนางก็เลยคุกคามภรรยาของตน น, น, นะนะ คือเอมียชูชกนี่ทำไมมันดูแลผัวดีเหลือเกินไว้แต่ไมเมียเราไม่เป็นอย่างนั้นเลยเนี่ยนะเมียเราได่ใช้เราทั้งกับปีอย่างนั้นเด็กก็เลยเดือดร้อนมากนางอมิตรตาปนานี้ปฏิบัติพรามชราโดยชอบพวกเจ้าทำไมประมาทต่อเราทั้งหลายเนี่ยนะคือปกติใช้ผัวตะบันเลยนะทีนี้นอมิตตาเอ๊ะนางอมิตรตาปนานีก็ดูแลชูชกเป็นอย่างดี พวกพัญญาพราหม์เหล่านั้นก็เลยคิดว่าพวกเราเนี่ยจะยังนางอมิตรตาปนานี้ให้หนีไปจากหมู่บ้านนี้คล้ายๆกะว่าแหมเจ้าตัวดีวังนั้นเถอเลี้ยงสามีดีเหลือเกินฉันนี่ถูกผัวต่อว่าอยู่ทุกวันเนี่ยนะก็เลยคิดอย่างนี้ก็ประชุมกันด่า น, นางอมิตรตาปนานที่ท่า น, น้ําเป็นต้นเจอกันที่ไหนเล่นงานนางอมิตรตาปนานทุกทีภาษาสดาเมื่อจะประกาศความข้อนั้นจึงตรัสว่ามีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อวชูโชคมีปกติอยู่ในกลิงครัต ปัญญาสาวของพราหมณ์นั้นชื่อว่านางอมิตตาปนานางพรามณีเหล่านั้นในหมู่บ้านนั้นไปตักน้ําที่ท่าน้ําเป็นประหนึ่งแตกตื่นกันมาประชุมกันกล่าวปริพากด่า น, นางอมิตตาปนาเนี่ยนะก็คือไม่อยากให้นางอมิตตาปนาอยู่นะเพราะ ว, ว่ามันเป็นดุลถ่วงใช้สามีไม่ค่อยสะดวกนะนะปกติก็ พวกนี้ก็ปกติใช้สามีอยู่แล้วเจ้านี้มามาปรณิบัติสามีดี แ, แหม่สแลงตาแล้วเกินถูกสามีล้อเลียนอยู่ทุกวันก็ต้องการจะไล่หนีจากบ้านจากเมืองนี้สักทีก็เลยบอกก็ไปด่ากระทบว่าแน่นางอมิตต า, ตาปณพ่อแม่ของเจ้าเมื่อเจ้ายังเป็นสาวอยู่อย่างนี้ยังมอบตัวให้กับชายแก่ชูชกพรามแก่ได้ฟังกันก็ไปคล้ายๆว่าไปล้อเลียนอ่ะนะพ่อแม่ก็ยังอยู่ทาไมไปยกให้ผัวแก่ได้ยังไงฟังัน พวกญาติของเจ้าผู้มอบตัวเจ้าให้แก่พราม์แก่ทั้งที่เจ้ายังเป็นสาวอยู่อย่างนี้สงสัยเขาอยู่ในที่รับปรึกษากันถึงเรื่องไม่เป็นประโยชน์จึงทําเรื่องชั่วเรื่องลา ม, มกเรื่องไม่ยังใจให้เอือบอาบเจ้าอยู่กับผัวแก่ไม่ยังใจให้เอือบอาบเจ้าอยู่กับผัวแก่เจ้าตายเสียดีกว่าเป็นอยู่มีชีวิตอยู่ว่านั้นเออแปลว่าไปตายสะไปดีกว่ามีมีชีวิตอยู่กับผัวแก่แบบนั้นเพราะฉะนั้นผู้ชายแก่ๆไปมีเมียส า, าวนี่ก็คิดคิดให้มากๆน่ พันบิดามารดาของเจ้าสงสัยจะหาชายอื่นให้เป็นผัวไม่ได้เป็นแน่จึงยกเจ้าเนี่ยนะซึ่งยังเป็นสาวอย่างนี้ให้แก่พราหมณ์แก่ยังกะว่าหาลูกเขยให้ไม่ได้อย่างนั้นแหละเห่างนันเจ้านี้คงจะบูชายันเอาไว้ไม่ดีในดีถีที่เก้าสงสัยไม่ได้ทําการบูชาไฟเอาไว้เนี่ยนะคือสงสัยทําบุญมาไม่ดีอะนะเจ้าคงจะด่าสมณะพราหมณ์ผู้มีพรหมจรรย์เป็นเบื้องหน้าผู้มีศีลเป็นบังหูสูตรในโลกเป็นแน่ จึงได้มาอยู่ในเรือนของพราหมณ์แก่ตั้งแต่ยังเป็นสาวอย่างนี้แล้วก็ล้อเรียนต่อไปว่าถูกงูกัดก็ไม่เป็นทุกข์ถูกแทงด้วยห อ, อกก็ไม่เป็นทุกข์การที่เห็นผัวแก่นั่นแลเป็นความทุกข์ด้วยเป็นความร้ายกาจ ด, ด้วยคำว่างั้นฮะแต่แสดงว่าทุกข์มากนะการเล่นหัวการรื่นรมการอ่ะย่อมไม่มีกับผัวแก่คำว่างั้นโอ้ยจะไปจะไปเล่นกันสนุกได้วยยังไงครับว่างั้น การเจรจาปราศัยก็ไม่มีแม้การกระซิกระซิบก็ไม่งามคำว่าเงินเมื่อใดผัวหนุ่มเมียสาวเ ย, ย้าหยอกกันอยู่ในที่รับเมื่อนั้นความเศร้าโศกทุกอย่างที่เสียดแทงหัวใจย่อมพินาศสิ้นไปเจ้ายัางเป็นสาวรูปสวยพวกชายปรารถนายิ่งนักเจ้าจงไปอยู่เสียที่ตระกูลญาติเถื่อคนแก่จะทําให้เจ้ารื่นรมได้อย่างไรนะนะเขถูกก็เสียดสีต่างๆนานานะ โดยเฉพาะล้อว่าทําบุญมาไม่ดีเป็นแน่จึงได้ผัวแก่เช่นนี้ว่างั้น <c oughs> ทินนางมิตรตาปนาถูกเข้าด่าเนี่ยนะถูกด่าจากพวกนางพรามมณีอย่างนี้แล้วก็ถือหม้อน้ําร้องให้กลับไปยังเรือนชูชกก็ถามว่าร้องให้ทําไมว่างั้นเมื่อจะแจ้งความนั้นแก่ชูชกกล่าวว่าข้าแต่พราหมณ์ชั้นจะไม่ไปสู่แม่น้ําเพื่อตักน้ํามาให้ท่านข้าแต่พราหมณ์พรามมณีทั้งหลาย ด่าบริพาชันเพราะเหตุท่านเป็นคนแก่นะก็บอกตรงๆเลยว่างั้นอธิบายว่าข้าแต่พราหมณีทั้งหลายด่าชันเพราะท่านแก่เพราะฉะนั้นจำเดิมตั้งแต่นี้ไปฉันจะไม่ไปสู่แม่น้ำตักน้ำมาให้ท่านแลว้วชูชกก็กล่าวว่าแน่นางผู้เจริญเจ้าอย่าได้ทำการงานเพื่อชันเลยอย่าตักน้ำมาเพื่อชันเลยชันจะตักน้าเองเจ้าอย่าขัดเคืองเลย บอกเธอไม่ต้องโกรธนะเดี๋ยวฉันจะตักน้ำให้ไม่เป็นไรหรอกนะนางอมิตตาปนาก็บอกว่าแน่พรามฉันไม่ได้เกิดในตระกูลที่ใช้ผัวให้ตักน้ำานั้นะไม่ใช่ตระกูลฉันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกนะใช้ผัวให้ตักน้าได้ยังไงท่านจงรู้อย่างนี้ฉันจะไม่อยู่ในเรือนของท่านถ้าท่านจากไม่นําท่าหรือทาสีมาให้ฉันท่านจงรู้อย่างนี้ฉันจะไม่อยู่ในสํา น, นักของท่านเนีย่ยนะ สรุปแล้วต้องหาธาตุมาช่วยงานนะถ้าไม่หามาจะจากแล้วนะชูชกก็บอกว่านี่พระมณีพื้นฐานศิละปะหรือสมบัติคือทรัพย์และข้าวเปลือกของฉันไม่มีฉันจะหาธาตุทาสีมาเพื่อนางผู้เจริญได้แต่ไหนฉันจะบำรุงนางผู้เจริญเองน่นางผู้เจริญเธออย่าขัดเคืองไปเลยบอกไม่ต้องโกรธนะเจ๋จะดูแลให้เหมือนกันนางอมิตตาปนาเทวดาก็โดนใจทันทีกล่าวกับชูชกว่ามาเธอท่าน ฉันจะบอกท่านตามที่ฉันได้ยินมาพระราชาเวสันดร น, นั้นประทับอยู่ที่เขาวงกดดูก่อนพรามท่านจงไปทูลขอทาาและทาสีกับพระองค์เมื่อท่านทูลขอแล้วพระองค์จะเป็นผู้ขตัตยศชาติจักพระราชาทานทาาและทาสีแก่ท่านแต่ขอลูกมาเถอะเหน๋ยวให้มาปรนิบัติรับใช้มาเป็นท่าชูชกก็บอกว่าฉันเป็นคนแก่ไม่มีกําลังหนทางก็ไกลไปก็แสนจะยากแน่นางผู้จเจริญ เจ้าอยากคร่ำครวนไปเลยอย่าน้อยใจเลยฉันจะบำรุงนางผู้จเจริญเองเจ้าอยากขัดเคืองฉันเลยเนี่ยนะก็เอาอกเอาใจน่าดูเลยทีนี้นางพราหมณียมิตตาปนาก็บอกว่าอ่านะถักทังนิดนิดว่าคนขาดยังไม่ทันถึงสนามรบไม่ทันได้รบก็ยอมแพ้ฉันใดดูก่อนพราหมท่านยังไม่ทันได้ไปเลยก็ยอมแพ้ฉันนั้นเนี่ยนะบอกแหมบอกว่าได้ยังไงว่าแก่แล้วทางก็ไกลไปแสนยากแม้ทําไม เรียกว่าใจเสาะจังเลยนะยังไม่ทันรบก็บแพ้ตั้งแต่แรกแล้วว่างั้นเพราะฉะนั้นดูก่อนพราหม์เนีนะเงื่อนยืน่นเรียกว่ายื่นคำขาดให้เลยท่านพราหม์ถ้าท่านไม่หาท่าและทาสีมาให้ฉันท่านจงรู้อย่างนี้ฉันจะไม่อยู่ในเรือนของท่านเนี่ย น, นะยื่นคำขาดข้อหนึ่งแล้วนะบอกว่าจะไม่อยู่ด้วยแล้วนะว่างั้น เมื่อใดท่านเห็นฉันแต่งกายในงานมหรสพประกอบด้วยนักสัตว์หรือพิธีตามที่เคยมีเมื่อนั้นความทุกข์จะมีแก่ท่านเมื่อฉันรื่นรมกับด้วยชายอื่นๆความทุกข์ก็จะมีแก่ท่านเนี่ยนะก็ขู ว, ว่าจะมีชายคนอื่นนะนะทาให้หาถาดมาให้เมื่อท่านผู้ชาราแลว้วพี่ไรคร่ำครวญอยู่เพราะไม่เห็นฉัน ร่างกายที่งอก็จะงอยิ่งขึ้นผมที่งอกก็จะงอกมากขึ้นงนั้นนะใครมีเมียสาวก็ลําบากใจอย่างนี้แหละก็เลยบอกว่าเมื่อท่านไม่ยอมเข้าไปเฝ้าพระเวสสันดรทูลขอท่าและทาสีมาชั้นจักระทรํากรรมที่ท่านไม่ชอบใจนะสรุปว่าจะหาชายใหม่ชูชกได้ฟังอย่างนั้นก็ตกใจกลัวเลยเขาบอกว่าแต่นั้นชูชกพรามพอฟังก็ตกใจกลัวมา ก, กนะเสียอย่างอื่นไม่ว่าใช่ไหม ตกอยู่ในอำนาจของนางอมิตตาปนาพราหมณีถูกกามราคะบีบคั้นก็เลยกล่าวกับนางว่าแน่นางพราหมณีเจ้าจงจัดสเสบียงเดินทางเพื่อฉันนะจะบอกจัดสเสบียงเลยแบบนั้นนะนะกระทรงครามทั้งนี้ไม่กลัวแล้วนะเพราะแน่นางพราหมณีจงจัดขนมที่ทําด้วยงาขนมที่ปรุงด้วยน้ําตาลขนมที่ทําเป็นก้อนด้วยน้ําผึ้งทั้งสัตรุก้อนสัตรูพงและข้าวเรีว่าข้าวผงไม่รู้เป็นยังไงข้าวผง พอพึ่งเอาอ่านกอไก่นี่แล้วก็ข้าวผอกนะไม่รู้ข้าวเป็นยังไงแ <Okay. S 1> ต, ต่วัดศัตรูกร้อนศัตรูผงข้าวพอกแล้วก็จัดให้ดีฉันจนัดนาพี่น้องสองกุมารมาให้เป็นทาตุกุมารและกุมารีทั้งสองนั้นจัดไม่อาจจัดไม่เกียรตครานบำเรอปรนิบัติเจ้าตลอดคืนตลอดวันเนี่ยนะเ mm hmm. นี่ยนะก็นะจัดสเสบียงให้เลยเดี๋ยวจะไปขอมาให้อะนะเรื่องแค่นี้เองอะนะ แม่บอกว่าจะมีชายอื่นแค่นั้นแหละมีเรี่ยวมีแรงมาเลยนะความเป็นหนุ่มดูจะมีมามากขึ้นแล้วนางมิตตาปนากรีบตรเตรียมสเสบียงแล้วก็บอกแก่ชูชกพรามเนี่ยนะฝ่ายชูชกซ่อมประตูเรือนที่ชำรุดให้มั่นคงเนี่ยนะซ่อมบ้านก่อนแล้วค่อยไปใช่ไหมกจากนั้นก็ไปหาฟืนมาให้ตักน้ํำมาไว้ในภาชนะในเรือนจนเต็มหมดนะดูแลไว้เรียบรอ้อยหมดแล้วก็ถือเพศเป็นดาบดบดอยู่ในบ้านนั่นแหละ แล้วก็สอนนางมิตตาปนาว่าแน่นางผู้เจริญจำเดิมแต่นี้ไปในเวลาค่ำมืดเจ้าอย่าออกไปนอกบ้านเนี่ยนะห่วงมากเลยนะหอย่าออกบ้านนะกลางคืนจงเป็นผู้ไม่ประมาทจนกว่าฉันจะกลับมาสอนอย่างนี้แล้วก็สวมรองเท้ายกถุงย่ามบรรจุสเสบียงขึ้นสะพายบาปกระทําประทักษิณ น, นางอมิตตาปนานะวนทั้งหลายรอบแม้กว่าเจรินออกไปได้มีหน้านองไปด้วยน้ําตาร้องไห้แล้วก็จากไปเนี่ยนะทุกมากเลยนะ ดูจะทูกกับพระเวทอันดอนไปอยู่ปายซึ่งภาษาสดาตรัสว่าพระชูชกผู้เป็นเผ่าพันธุ์พรมทากิจนี้เสร็จแล้วสวมรองเท้าแต่นั้นแกเรียกนางอมิตตาปนาผู้พันยามาพร่ำสั่งเสียกระทาประทักศิลภรยาสมาทานวัดมีหน้านองด้วยน้ำตาหลีกไปสู่นครอันเจริญรุ่งเรืองของชาวสีพีเที่ยวแสวงหาทาตและทาสี ชูชกนี้พอไปถึงนครนั้นคือไปถึงเมืองเชตุดอนเนี่ยนะเห็นประชุมชนก็เลยถามว่าพระราชาวเวสันดรเนี่ยเสด็จไปไหนคือทีนี้ <c oughs> มหาชนทั้งหลายผู้ประชุมกันอยู่ที่นั้นก็ได้ตอบกับพรามนั้นว่าดูก่อนพรามพระเวสันดรบรมกษัตริ์ถูกพวกท่านเบียดเบียนเพราะทรงให้ทานมากเกินไปเนี่ยนะอติทานังเนี่ยนะ พราะให้ทานมากเกินไปจึงถูกขับไล่จากแว่นแคว้นของพระองค์เสด็จไปประทับอยู่ที่ภูเขาวงกฏดูก่อนพราหมณ์พระเวสสันดรบร ม, มกษัตริย์ถูกพวกท่านเบียดเบียนพระทรงให้ทานมากไปจึงทรงพาพระโอรสพระธิดาและพระเหสีเสด็จไปประทับอยู่ณเขาวงกฏนั่งกันชนเหล่านั้นพูดกระชุชกกว่า พวกแกเนี่ยทําลายพระราชาของพวกเราให้พินาศแล้วยังมายืนอยู่ที่นี้อีกกล่าวอย่างนี้แล้วก็ถือก้อนดินท่อนไม้เป็นต้นขับไล่ตาชูชกหนีไปเนี่ยนะเขารังเกียจมากพวกนี้แหละขอมากเกินไปพระราชาเลยถูกไล่นี้ไปอยู่ป่าเหมือนกันชูชกก็ถูกเทวดาเดินใจเดินไปเดินมาก็เลยเดินตรงไปเขาวงกดพอดีอะไรนะอะไรจะประจวบเหมาะขนาดนั้นเลยนะไม่รู้ว่าตุ๊ปปัตตุเปงไงนะไปเจอทางไปเขาวงกดพอดีเลยอืม ฝ่ายชูชกถูกนางอมิตาตปนาเตือนแล้วก็เป็นผู้ติดใจในการจึงประสบทุกนั้นมากไปในปากเกลื่อนกล่นไปด้วยพาละมะรึกมีแรดและเสือเหลืองเสพเนี่ยนะเสพอาศัยแกเนี่ยถือไม้เท้ามีสีเหมือนผลมะตูมเนี่ยนะก็สีผลมะตูมก็ไม้ไผ่แก่ๆหน่อยนะอีกทั้งเครื่องบูชาไฟและน้ำเต้าเข้าไปสู่ป่าใหญ่ซึ่งแกได้ฟังว่าพระเวสสันดรราชฤาษี ผู้ประทานผลที่บุคคลปรารถนาประทับอยู่ทีนี้พอเดินป่าไปเรื่อยใช่ไหมสุนัขป่าก็ห้อมล้อมพรามนั้นเข้าสุนัขที่นี้ก็สุนัขของนายพรานเจตบุตรนะที่ดูแลป่าก็เลี้ยงหมาฝูงใหญ่มากเพราะฉะนั้นหมาฝูงนี้ก็เลยไปรุมล้อมแต่พรามชูชกเข้าผู้เข้าไปในป่าแกก็หลงพรางร้องให้หลีกไปไกลทางจากภูเขาวงกฏ จากนั้นแกผู้โลภในโพคะไม่มีความสํารวนเดินไปแล้วหลงทางที่จะไปสู่เขาวงกฏถูกฝูงสุนัขล้อมเอาไว้นั่งบนต้นไม้ก็กล่าวคาถาเหล่านี้ว่านั่นนะร้องไห้แล้วกันเนี่ยนะหมดทางไปแล้วข้างล่างก็หมาข้างบนก็ขึ้นต่อไปไหนไม่ได้แล้วก็เอาไงดีแล้วนะตกตอนนั้นนะสภาพเป็นนั่งกระแยกเหมือนกันก็บอกว่าใครนะ่าจะเพิ่งบอกข่าวพระเวสสันดร พระราชบทตผู้ประเสริฐผู้ทรงชำนะมัจฉริยะไม่ปรชาชัยอีกผู้ประทานความปลอดภัยในเวลามีภัยแก่เราพระองค์เป็นที่พึ่งอาศัยของเหล่ายาจกเช่นกับธรณีดลเป็นที่อาศัยของเหล่าสัาสตว์เนี่ยนะแมเชื่นชมพระโพธิสัตว์ก็เกินว่าท่านนี่นะชนะความตนีหมดเลยพระองค์เนี่ยเป็นเหมือนกับแผ่นดินเลยเหมงอนกันเป็นที่อาศัยของเหล่าสัตว์ชมใหญ่เลยใครน่าจะบอกข่าวว่าพระเวสสันดรผู้เปรียบเหมือนแม่ธรณีแก่เราได้ พระองค์เป็นที่เข้าไปเฝ้าของเหล่ายาจกเหมือนทะเลเป็นที่ไหลไปแห่งแม่น้ำเนาะใหญ่ฉะนั้นบอกว่ายาจกนี่ก็หลังไหลไปหาพระเวสสันดรนอ่ะนะ <c oughs> ใครน่าจะเพึงบอกข่าวพระเวสสันดรผู้เปรียบปานเหมือนสาครแก่เราพระองค์เป็นผู้ดังสะน้ําที่มีท่าอันงามลงดื่มได้ง่ายมีน้ําเย็นหน้ารื่นลมดาราดาดไปด้วยดอกบุญทริกบวกขบับประกอบด้วยละอองเกสรเนี่ยนะข่ำครวญร้องหาพระเวสสันดร อ, อย่างเดียวใช่ไหม ทำไมอ่ะที่ร่ําจริงๆแล้วก็ไม่ได้อยากเจอพระเวสสันดรเท่าไห ร, ร่หรอกอยากได้ท่าแล้วจะได้กลับไปหานางอมิตาตาปนาสักทีหนึง่งแค่นั้นน่ะก็เลยร้องไว้หน่าดูเอาทาไมตามหาแล้วก็จะไปหาทำอะไรใช่ไหมถามว่าชุโชกนี่ก็นี่แหละว่าที่พระเทวทัศน์ของเราแหละไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกนั่นแหละก็พระเทวทัศน์ของเรานั่นแหละนั้นก็ ติดใจในนางจินจะมานวิกาเนี่แหละนี่นะนางไอ้อ ม, มิตาตาปนาก็คือนางจินจะมานวิกาที่ธรณีสูบนั่นแหละทั้งคู่สามีพันยาคู่นี้ธรณีสูบทั้งคู่สมัยพุทธกาลน่ะนะแล้วก็บอกว่าใครน่าจะพึงบอกข่าวพระเวสสันดรผู้เปรียบเหมือนสระน้ําแก่เราผู้เปรียบเหมือนกับต้นใส่ใกล้ทางมีร่มเงารื่นรมใจเป็นที่พักอาศัยของคนเดินทาง ผู้เมื่อยลา้าเหน็ดเหนื่อยมาในเวลาร้อนเนี่ยนะรู้คุณของพระเวสสันดรหน้าดูเลยนะใครน่าจะพึงบอกข่าวพระเวสสันดรมหาราชแก่เราได้พระองค์เปรียบเหมือนต้นไทรที่ใกล้ทางมีร่มเงาหน้ารื่นรมใจเป็นที่อาศัยของคนเดินทางผู้เมื่อยล้าเหน็ดเหนื่อยในเวลาร้อนใครน่าจะพึงบอกข่าวพระเวสสันดรมหาราชแก่เราได้พระองค์นี้เป็นเปรียบเหมือนต้นมะม่วงใกล้ทางรื่นรม มีเงาหน้ารื่นรมใจเป็นที่อาศัยของคนเดินทางผู้เมื่อยล้าเหน็ดเหนื่อยมาในเวลาร้อนใครจะพึงบอกข่าวพระเวสสันดรมหาราชแกเราได้พระองค์นี้เปรียบเหมือนต้นรังที่ใกล้ทางมีร่มเงาหน้ารื่นรมใจเป็นที่พักอาศัยของคนเดินทางผู้เมื่อยล้าเหน็ดเหนื่อยมาในเวลาร้อนใครน่าจะพึงบอกข่าวพระเวสสันดรมหาราชแกเราพระองค์เปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่ใกล้ทาง มีร่มเงาหน้ารื่นรมใจเป็นที่พักอาศัยของคนเดินทางผู้เมื่อยลา้าเหน็บเหนื่อยมาในเวลาร้อนใครน่าจะแจ้งข่าวของพระองค์ผู้ทรงคุณเห็นป่านนั้นแก่เราเมื่อเราเข้าไปในป่าใหญ่พร่ำเพรออยู่อย่างนี้บุคคลใดบอกว่าข้าพเจ้ารู้ข่าวบุคคลนั้นชื่อว่ายังความร่าเริงให้เกิดแก่เราอันหนึ่งเมื่อเราเข้าไปในป่าใหญ่พร่ำเพออยู่อย่างนี้ บุคคลใดบอกข่าวว่าข้าพเจ้ารู้จักราชชนิวาสถานของพระเวสสันดรบุคคล น, นั้นพึงประสบบุญไม่ใช่น้อยเนี่ยนะด้วยคำบอกเล่าคำเดียวนะวามาแบบเทศอันนี้สงบดเสร็จนะใครบอกคำเดียวแค่นั้นเขาจะได้บุญอย่างมากเลยนะบอกเราถึงที่ของพระเวสสันดร อ, อยู่ได้พระเทวทัตเนี่ยนะหรือชูชกก็คือพระเทวทัตนะนะที่ร้องให้บนต้นไม้แบบนี้ไม่ใช่ครั้งเดียวเนี่ยนะ มีบางชาติเช่นชาติที่เป็นกปิชาดกมหากปิชาดกเนี่ยนะเขาก็เป็นนายพราน เ, าเข้าไปในป่าแล้วก็หลงทางเนี่ยนะก็ตกอยู่ในพุ่มไม้ในเหวก็ไปร้องให้อยู่ในป่าชาตินั้นพระโพธิสัตว์เป็นลิงก็ไปช่วยออกมาก็พอช่วยออกมาเสร็จก็เอาก้อนหินทุบหัวลิงโป๊กใหญ่เลยนะก็เจ้านี้แหละก็ร้องคล้ายๆแบบนี้แหละพอมาชาตินี้ก็ร้องอีกนะนะสูตรเดิมๆนี่แหละก็ร้องให้อยู่ในป่าใหญ่เนาะ ทีนายพรานเจตบุตรเป็นพรานล่าเนื้อที่เหล่าพญาเจตระตั้งไว้เพื่อรักษาพระเวสสันดรเนี่ยเที่ยวไปในป่าได้ยินเสียงคร่ำครวญของชูชกนั้นก็เลยคิดว่าพรามนี้ย่อมคร่ำครวญอยากจะพบพระเวสสันดรเนี่ยนะแต่แกคงไม่ได้มาตามธรรมดาคงจะต้องมาขอพระมัสยีหรือพระโอรส ธ, ธิดาสงสัยถ้าไม่ขอเมียก็มาขอลูกหลานนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะฆ่าแกเสียในป่านี่แหละคิดอย่างนี้แล้วก็ไปใกล้ชูชกกล่าวว่าแต่พรามข่าจะไม่ให้ชีวิตแก กล่าวอย่างนี้แล้วก็ยกหน้าไม้ขึ้นขู่จะยิงทันทีเลยนะเตรียมขู่จะยิงที่เล่าว่าพรานผู้เที่ยวไปอยู่ในป่าชื่อว่าเจตบุตรกล่าวแก่ชูโชคว่าแน่พรามพระเวสสันดรบรมมกษัตริย์ถูกพวกแกเบียดเบียนเพราะทรงให้ทานมากเกินไปจึงถูกขับไล่ออกจากแว่นแคว้นของพระองค์เสด็จไปประทับอยู่ณภูเขาวงกฏแน่พราม พระเวสสันดรบรมมกโพธิสัตว์ถูกแกเบียดเบียนเพราะทรงให้ทานมากเกินไปเนี่ยนะทุกคนก็จะใช้คํานี้หมดเลยนะอติทานังเนี่ยคือให้ทานมากเกินไปแต่พระโพธิสัตว์ไม่ได้พูดอย่างนั้นนีมีแต่คนที่ไม่ได้ให้อ่ะพูดเนี่ยนะหวังอันนี้ให้เกินแล้วนะจริงคนให้เขาไม่ได้เสียใจยอะไรสักอย่างหรอกแต่คนไม่ได้ให้จะเดือดร้อนมากเนี่ยนะแม้ถูกขับไล่ออกจากแว่นแคว้นของพระองค์เสด็จไปประทรับอยู่นักเขาวงกฏแหนพราม พระเวสสันดรบร ม, มกษัตริย์ถูกพวกแกเบียดเบียนเพราะส่งให้ทานมากไปจนต้องพาพระโอรสทิดาและมเหสีไปประทับอยู่นักเขาวงกฏแกเนี่ยเป็นคนมีปัญญาสามทำสิ่งไม่ใช่กิจมาจากรัฐสู่ป่าสแสวงหาพระราชบุตรดุดนกยางหาปลาว่างั้นแหมก็ด่าเจ็บเลยนะว่าเหมือนพวกพวกนกหาปลา น, ลานั่นแหละว่างั้นแน่พราหมณ์ข่าจะไม่ให้ชีวิตแกนในที่นี้เพราะลูกสอนอันนี้ข่ายิงไปแล้วจักดื่มโลหิตของแกเนี่ยนะ แหนพราหมณ์ข้าจะตักเอาหัวใจของแกเชื้อดเอาหัวใจพร้อมทั้งไส้พุงแล้วก็จะบูชาปันฑะสกุลยันพร้อมด้วยเนื้อของแกน่ยนะจะจะฆ่าแกแล้วเอาเนื้อไปบูชาเทวดาเฝ้าทางเหมือนกันแหนตาพราหมณ์ข้าจะเฉือนหัวใจของแกพร้อมทั้งเนื้อมันข้นและเยื่อในสมองของแกบูชายันแหนพราหมณ์ข้าจะบูชาบวงสรวงด้วยเนื้อของแกจะไม่ให้แกนำพระราชเทเวีพระโอรสพระธิดาของพระราชบุตร เวสันดอนตายนะเขารักพระเวสันดรมากูเขาห่วงมากนะเดี๋ยวใครจะไปขอเดือดร้อนอีกเสร็จแล้วฝ่ายชูชกพอฟังคําของเจตบุตรก็กลัวไผ่ก็เลยมุสาวาัดทันทีเลยนะเพราะกลัวจะตายแลย้วนี่ทำไงได้ถ้าบอกตรงๆว่าจะมาขอถาดก็งานนี้ตายงัย้นไเลยนะ <c oughs> ชูชกนี่แกเก่งนะจะบอกดูก่อนเจตบุตรข้าเป็นพรามณะฑูตไม่ควรฆ่าเจ้าจงฟังข้าก่อน เพราะฉะนั้นคนทั้งหลายไม่ฆ่าทูตนี้เป็นธรรมเนียมเก่าอย่างนั้นนะบอกเลยฉันเป็นทูตนะนะปฏิพานกันหน้าดูเลยนะไหนได้มุสาวาทนี่แหละก็ประกาศเลยว่าชาวซีพีทั้งปวงเนี่ยหายเครื่องแล้วชาวบ้านก็เลิกโกรธแล้วพระชน ก, ก็ปรารถนาจะพบพระเวสสันดรทั้งพระชนนีของท้าเธอก็ถอยกําลังอย่างนั้นเถอะแม่นี่ก็หนักเต็มทีแล้วว่างนั้นป่วยด้วยไม่ค่อยสบายทางหากักอย่างนั้นพระเนตรทั้งสองก็เสื่อมโทรมโดยการไม่นานเนี่ยนะ บอกแหมพูดเลยว่าพระนางพุ้เสด็เนี่ยป่วยมากตาก็เสื่อมเต็มทีแล้วร้องไห้แล้วตาบวมหมดเลยก็ว่าไปดูก่อนเจตบุตรข้าเป็นข้าเป็นอันพระราชาพระราชนีเนี่ยส่งมาเป็นทูตเจ้าจงฟังข้าก่อนข้าจาักเชิญพระเวสสันดรราชโอรสกลับถ้าเจ้ารู้จงบอกเห็นทางแก่เราอ่ะนะก็บอกแล้วหลอกว่าเป็นทูตเลยแผ่พนพอนายพรานเจตบุตรพอฟังก็ปลื้มเลยนะดีใจคิดว่า โอ้ได้ยินว่าบัดนี้พรามเนี่ยจะมาเชิญเสด็จพระเวสสันดนรกลับก็เลยผูกสุนัขทั้งหลายาไว้ให้อยู่ส่วนข้างหนึ่งให้ชูโชคลงมาจากต้นไม้นั่งบนที่ลาดกิ่งไม้ให้โภชนาหารก็ทำปฏิสันหารากล่าวว่าข้าแต่ตาพรามตานี้เป็นทูตที่รักของพระเวสสันดรผู้เป็นที่รักของข้าข้าจะให้กระบอกน้าผึ้งจะให้ขาเนื้อย่างเป็นบารรการแก่ตา แล้วก็จะบอกประเทศที่พระเวสสันดรผู้ประทานความประสงค์ประทับอยู่แก่ตาว่างั้นเพราะฉะนั้นก็จะหอสะเสบียงจะบอกทางให้เบ็ดเสร็จหมดและว่างั้นอันนี้ก็เป็นเรียกว่าชูชกกันนะก็จบด้วยประการชนีว่างั้นผละะส่วนว่าชูชกจะบอกทางยังไงก็คงเป็นอาทิตย์หน้านะอันนี้ก็คงสมควรแก่เวลาท่นผ่า